พูดนะพูดไปด้วยฐานข้าวไปด้วยนะยฟังเขาทานไปด้วยพอดีได้โอกาสหลวงพ่อท่านก็เลยได้นิมนต์ขึ้นมาอยากจะให้พูดเล่าประสบการณ์ชีวิตจากที่เคยปฏิบัติหลังจากที่อยู่บนเขามานาน ทีนี้ก็เลยได้โอกาสนะลงมาอยู่ข้างล่างตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะอยู่บนเขานะให้ครบตามที่ตามที่ได้กําหนดไว้แต่แรกนะแต่พอมันมีเหตุปัจจัยก็เลยก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงนะก็เข้ามาอยูนะ่เข้ามาอยู่บนเขาก็หลายปนะีเพราะว่าทุกปีก็ขึ้นไปภาวนาอยู่ข้างบนยอดเขาที่ ที่เราเห็นกันนะั่นแหละหลังวัดถ้ำแสงเทียนนะ้วขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกมันจะมีหลายชั้นนะหลายชั้นสูงมากนะยอดยอดจน่าไม้ตามไม่เจอนะ่าไม้ตามไม่เจอเพราะว่าทุกทุกที่นะป่าไม้เขาก็ก่อนเข้ามาษาทุก ป, ปีนะป่าไม้เขาจะต้องไปหาตาม ตามพระที่อยู่ตามถ้าให้ให้ลงให้หมดนะไม่ให้จำาันสาปีนั้นปีนั้นพระก็เยอะนะเขาก็ไล่ลงหมดนะก็หาหาที่ซ่อนพอดีไปได้ที่เหมาะที่ดีนะได้ที่เหมาะที่ดีก็ไล่ก็เลยได้อยู่อยู่ได้อีกหลายปีนะก็อยู่แบบหลบๆนะพระที่อยู่ด้วยกันก็ลงหมดเนะหลือแต่อาตมารูปเดียวนะ ก็ขึ้นขึ้นลงลงแต่ถ้าช่วงในพรษานี้ก็จะขึ้นไปอยู่ทุกปีนะตั้งแต่ปีสี่เจ็ดนะก็หลายปีนะปีสี่เจ็ดพอดีปีนี้ก็ตั้งใจจะขึ้นไปอยู่เหมือนกันนะทางทางลานธรรมท่านเข็มก็ได้ให้โยมสร้างกุฏิให้นะทํากุฏิให้หลังจากที่แต่ก่อนเขาก็ ทำให้อยู่นะแต่มาที่นี่มันพังนะอยู่ข้างล่างหลังนึงโยมเขาทาให้ก็ไม่ได้มาอยู่จำพรรษาให้นะพอดีปีนี้เขาทํากุฏิให้ตอนแรกก็ตั้งใจจะไม่อยู่หรอกเสร็จช่วงช่วงก่อนเข้าพรรษาพอดีนะเพราะว่าก่อนเข้าบรรษาก็ขึ้นไปอยู่บนถ้ำที่เคยอยู่นะั่นแหละประมาณห้าหกปันเหมือนกันเพราะว่าจะว่าจะอยู่แบบ เลยเข้ามาสาไปเลยทีนี้มาพิจารณาทีนึงก็บันไดนะเพราะว่าจะขึ้นไปที่ถ้าที่อยู่มันจะต้องปีนหน้าผานะขึ้นบันไดไปอีกสามขั้นสามชั้นปีนหน้าผาคือทําถ้าไม่มีบันไดมันก็ขึ้นลําบากแล้วขึ้นยากแล้วก็ท้ายิ่งเป็นช่วงหน้าฝนด้วยมันลื่นอันตรายก่อนเข้ามาสาก็ไปทําได้แค่สองอันบันไดแต่ทาอยู่รูปเดียวกําลังทํา เพราะว่าอันอีกอันหนึ่งคือมันอันใหญ่นะอันใหญ่จะต้องช่วยกันหลายหลายๆองค์ถึงจะทำได้นะแต่แต่สองอันข้างบนนั้นมันพอทำองค์เดียวได้นะก็ประมาณสักแปดเก้าขั้นนะใดก็ลำไผ่ก็เกือบลำหนึ่งเลยนะก็ไปทำอยู่รูปเดียวทําเสร็จสองอันอันที่สองเสร็จพอดีนะกำลังจะลงพอดีแหละ กำลังตอกไม้แล้วก็กำลังจะมัดบันไดติดกับไม้ที่ตอกไว้ไม่ให้มันลื่นพอดีป่าไม้ขึ้นมาป่าไม้ขึ้นมาพอดีเลยนะขึ้นมาทำอะไรนะเขาก็บอกอะไรยึดยึดยึดยึดแล้ว ก, แวก็แล้วก็เชยนะเอททำยังไงดีนาะเนี่ะเพราะว่า มันผิดเต็มๆนะถ้าพูดตามคนไม้เขาผิดเต็มๆนะแล้วก็เฉยๆนะเขาก็โอ๋เขาก็พูดว่าใหญ่เลยนะเขาขึ้นมาคนเดียวนะเขาก็กลัวเรามันกันนะเพราะว่าเราก็มีอาวุธะก็คือมีมีดแหละเขาก็ไม่กล้าเขาใกล้นะแต่เราก็ไม่ทําอะไรเขาหรอกนะเราก็อยู่เฉยเขาก็ขึ้นไปเขาก็นั่งอยู่ห่างๆเลยเขาก็นั่งคุยว่าผิดนั่นผิดนี่ทําให้คนขึ้นมาค้นของ มาสแสวงหามาอะไรเขาก็พูดของเขาไปนะทําที่เรียกให้บิทยุเรียกเพื่อนเรียกอะไรมาอางเงี้ยเขาก็กลัวนะกลัวเราจะทําอันตรายเราก็นั่งเฉยอยู่นะมันก็เสร็จพอดีนะบันไดบันไดก็เสร็จพอดีสองอันเลยขึ้นได้เลยเขาก็บอกให้ลือเลยลื้ลลอเร่มาโอ๊ยคุณทําเสร็จนี่ถ้าจะลือไม่ให้ลือหรอกถ้าจะลื้อก็ลือเองมา เขาเขาก็เขาก็นั่งเฉยๆนะเเออเดี๋ยวถ้างั้นวันหลังจะให้ลูกน้องขึ้นมาลื้อให้เหมอนเขาก็นั่งคุยพูดกับเราอยู่นานนะเพราะว่าช่วงนั้นนี่ไปพักอยู่ไ ป, ยไปพักอยู่ที่ถ้ำเม้นแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปทำนะทยอยขึ้นไปทำไปรูปเดียว ว่าทําเสร็จสองอันแล้วก็จะลงมาชวนพระที่ถ้านะขึ้นไปทําอีกอันหนึ่งอันใหญ่เพราะมันทํารูปเดียวไม่ได้ถ้ามเสร็จพอดีสองอันเขาก็าก็ถามแล้วถา้าเนี่ยทางถ้ำเมน่นน่ยเขาก็ไม่รู้ว่าชื่อถานะ้านะถ้ำทางนั้นนะผมก่อนที่ผมจะขึ้นมาเนี่ยผมก็เดินไปดูไม่รู้มีพระที่ไหนมาอยู่แต่เขาก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นั่นนะเราก็นั่งอยู่ไม่รู้พระที่ไหนมาอยู่ แล้วก็าก็อาตามาเนี่ยแลกขึ้นมาอยู่ขึ้นมาอยู่ได้กี่วันแล้วเขาก็ถามสักได้สองสามวันแล้วจริงเอยมันทําไมมันทําไมสะอาดมันทําไมโล่งเตียนเหมือนกับมาอยู่นาดยัง่งมันเขาก็พูดไปเอาถ้าไม่เชื่อก็ลงไปถามวัดข้างล่างดีเขาก็พยายามพูดแบบหาเรื่องเรานะหาเรื่องพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ใส่ความว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้วัดถ้ำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ว่าไปเราก็เฉยๆลงภายในยีิบสีชั่วโมงเลยอย่างเงี้ยลงลงเดี๋ยวนี้เลยขอบอกให้ลงเลยเนะราก็นั่งเฉยๆอยู่มันก็พูดเรื่องอื่นไปนะพูดเรื่องอดีตของวัดถ้ำมีปัญหายอย่างนั้นปัญหายอย่างนี้พูดไปแล้วก็นั่งฟังไปบางทีบางบางอย่างแล้วก็แก้ไขี้ตอบโต้ไปบ้างนิดๆหน่อยๆสามารถเราจะนิ่งเฉยนะ นี่เขาก็ อ, อ่ อ, อนหลงอหอลงยังไงก็ไม่รู้นะพูยกันเป็นชั่วโมงหลนะเขาก็นั่งเขาก็ชวนลงไปลงก็ปนะระมาณสักสี่โมงกว่าเนะี่ยสี่โมงเช้านะสี่โมงกว่าๆลงก็เลยลงอีกอาทิตย์นึงจะให้ลูกน้องมาดูเพราะงั้นะคือว่าเขาก็คือว่าเราจะไม่ลงทันทีนะเขาก็เขาก็คงไม่ทําอะไรนะอีกอาทิตย์หนึ่งให้ลูกน้องมาดูนะ แล้วก็อยู่จนถึงอาทิตย์แหละนะมันก็ไม่มีใครมาดูนะไม่มีใครมาทํามามาหรือมาอะไรบันไดนะเราก็เฉยตั้งแต่นั้นมาแล้วก็แต่เราก็ไม่กล้าขึ้นไปทํานะเพราะว่าเขาถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้หมดเลยนะตอนปีนลงบันไดตอนอะไรโหเขาถ่ายไปหมดเลยชื่ออะไรเขาทําประวัตินะอทําประวัติไป ห, หมดเลยแต่เราก็ไม่กล้าไปทําอีกอางานหนึ่งมันอันใหญ่ก็เลยไม่มีโอกาสที่จะขึ้นไปนะ ขึ้นไปจํบบารษาได้นะเพราะช่วงในบรรษาฝนมันตกเยอะแล้วก็มันลื่นด้วยมันจะต้องปีนก้อนหินเกาะก้อนหินในที่ก้อนหินมันลื่นนะมันไม่สามารถจะขึ้นไปได้นะก็ได้โอกาสลงมาจำํำข้างล่างก็มันก็ความรู้สึกมันก็การภาวนามันก็แตกต่างกันนะระหว่างเราอยู่ป่าอยู่เขาอยู่รูปเดียวนะกับมาอยู่กับผู้กับคนนะ ถึงแม้ว่าคนจะไปมากแต่มันก็มีมันก็ไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนกันว่าเราอยู่ป่าอยู่เขานี่สภาพแวดล้อมมันเป็นมันเป็นกระแสที่บริสุทธิ์นะกระแสที่ไม่มีการปรุงแต่งว่ารอบข้างมันไม่มีการปรุงแต่งกระแสภายนอกไม่มีการปรุงแต่งมันจะเหลือเือแต่ภายในของเราแล้วที่มันปรุงแต่งอยู่นะคิดโน่นคิดนี่ทำโน่นทำนี่มันก็จะเห็นนะมันจะเห็นได้ชัดมันจะเห็นได้ชัดความสงบมันก็ ว่ทําได้นะเล็กๆน้อยๆว่ามันฟุ้งมากนะมันคิดมันตรงแต่งมากนะหาวิธีการนี้จะให้มันหยุดแต่มันก็ไม่แต่มันก็หยุดไม่ได้นะถึงถึงได้ขึ้นไปหาที่อยู่องเดียวนะหาทํำยังไงถึงจะจิตใจให้มันสงบเน่ะมันคิดปรุงแต่งเนี่ยนะวิธีการต่างๆนะที่ได้ศึกษาได้ฟังจัคโคบายาจันมาก็ใช้จนหมดไม่รู้จะใช้วิธีไหนแล้วมันก็ยังไม่หยุดนะหลายวิธีนะ ก็เลยไปค้นหาวิธีเอาเองนะทำยังไงก็ได้ขอให้อยู่ยังไงก็ได้กินยังไงก็ได้จะอยู่ยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้ภาวนาอย่างไงก็ได้จะสายไหนก็ได้ขอให้จิตใจมาสงบอ่ะอันนี้คือตัวตัวหลักตัวหวัวใจที่ที่เราจะต้องทำให้ได้นะก็คือทำจิตใจใมาสงบให้ได้นะสงบจากการนึกสงบจากการปรุงการแต่งในเบื้องต้นนะพอ จะสงบมากสงบน้อยมันจะ ต, ต้องให้มันสงบนะถ้าอย่างนั้นถ้ามันไม่สงบมันก็ไม่สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ตามความเป็นจริงนะเพราะว่าเราจะมาเรียนรู้ตามความเป็นจริงได้จิตจะต้องไม่ปรุงแต่งนะเพราะว่าเบื้องหลังแห่งการปรุงแต่งมันมีแต่กิเลสนะมันมีแต่กิเลสตัณหาอวิชชาทางนั้นนะผลักปรุงแต่งแล้วก็ผักจิตให้ไปนะแล้วก็นั่งพิจารณาดูเป็นอย่างนี้เบื้องต้นมันจะต้องทําใจให้สงบให้ได้นะ ไม่สงบมากก็สงบน้อยเละก็พยายามทำมาเรื่อยนะพยายามทำมาเรื่อยแล้วก็ศึกษามาเรื่อยอบรมว่าในฟังก็ฟังมาเยอะอ่านก็อ่านมาพอสมควรนะจนจนทิ้งนะจนทิ้งจนลืมนะเพราะว่าต้องการที่จะศึกษาเอาเอาภายในของเราเนี่ยเอาภายในของเรานี่เป็นใหญ่นะค้นหาวิธีทํายังไงก็ได้ให้จิตใจของเราให้มันสงบให้ได้นะ จนทิ้งทําอบรมอย่างนั้นวิธีการอย่างนี้จนทิ้งตำหรับตำราหมดจนลืมนะจนลืมที่เคยฟังมาก็จำได้เล็กๆ น, น, น้อยๆนะพอเอามาปฏิบัตินะมันก็ค่อยๆสงบของมันโดยธรรมชาตินะออก็อาศัยธรรมชาติที่มันบริสุทธิ์เนี่ยตามป่าตามเขาจนะิตใจมันดูห้ายปีมันก็สงบบ้างนะก็อาศัยพวก พวกสัตว์ต่างๆนะอาศัยพวกเหตุการณ์พวกสัตว์ต่างๆพวกการดำเนินชีวิตมันมาสอบอารมณ์เอาอาศัยตรงนั้นนะเราไม่ได้เอาครูบาอาจารย์ไม่ได้เอาคนเอาอะไรมาสอบนะเราเหตุการณ์ตรงนั้นมาสอบอารมณ์ของเรามันจะเป็นยังไงอยู่คนเดียวอยู่ในความมืดเจอสัตว์เจองูสารพัดเจอลิงเจอเลียงผ้าเจอสัตว์ร้ายๆสัตว์มีพิษก็มีเยอะนะอยู่ข้างบนเพราะว่ามันเป็น เขียรักษาพันสัตตานะสัตว์เยอะนะอันตรายบางทีเราอยู่คนเดียวถ้าเราประมาทเนี่ยเราประมาทถ้าเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่มีใครเห็นนะเนี่ยมันจะมันจะเตือนสติของเราอยู่เรื่อยๆไม่ให้เราประมาทนะนี่อานิสงส์ที่เห็นจากการเราอยู่รูปเดียวนะ เ, นเตือนไม่ให้เราประมาทเพราะว่าจะมาแนะนำอะไร ถ้ามันยังไม่แจ้งชัดหรือว่าทำไมยังไม่เคลียร์แล้วก็มันก็แนะนําได้ไม่เต็มที่นะมันคืเพราะเราก็ยังคุมเครืออยู่เหมือนเหมือนกับว่าเราก็ยังบอดอยู่นะอคนที่จะมาฟังเราก็ยังบอดอยู่แล้วบอดจงบอดมันก็จะไปไหนหน่ะก็เลยไม่อยากจะแนะนําใครมากเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่เคลียร์ก็ยังศึกษาอยู่เหมือนกันก็ยังอบรมว่าครูบาอาจารย์ว่าทางนี้มันไม่มีมันไม่มีใครเคยเดินมาก่อนะมันไม่มีใครเคยเดินมาก่อน บางทีเดินอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเดินนะถ้าใครเคยเดินแล้วมันจะไม่มันจะไม่กลับมานะนะครูบาอาจารย์พูดไว้อย่างนั้นใครเคยเดินแล้วจะไม่กลับมาอีกเพราะมันไม่มีใครมก็เลยมันก็เล ย, เล ย, เลยรู้จักยากอ่าเพราะว่ามันเป็นตัวสภาวะภายในนะสภาวะภายในที่เกิดจากจิตใจนะนะยากนะเบื้องต้นก็คือว่าทําจิตใจให้สงบนี่ก็พอแรงแล้วนะหมือนไม่ให้มันปนแก่ปุ้งสันสงส้นสะั้นใส่เนี่ ให้มันอยู่เฉยๆไม่หวั่นไหวไปกระอัลลุเมือต่างเนี่โอ้ไม่ธรรมดามเหมือนกันนะบางต้นมันก็พอสงบพอสมควรนะก็เลยพอที่จะลงมาอยู่กับหมู่คณะได้นะแต่บางทีมันฟุ้งซ่านขึ้นมามันเล่าร้อนขึ้นมานะี่ยมันก็เนตถึงแต่ป่าแต่เขาเลยนะมันต้องอาศัยป่าอาศัยเขาช่วยแหลนะถ้าไม่ไหวก็ยอดเขามันเดิมเลยนะนก็คิดว่ า, างนั้นแหละก็ อ, อาศัยตรงนี้เพราะว่าท่านก็ว่า สร้างกุฏิไว้ให้ท่านก็เผื่อท่านจะมีของมีอะไรหรือว่าบางทียมพขอถวายสบียง mm. ก็จะได้เก็บาอาหารบาที mm. จะได้ขึ้นเขา mm. เป็นที่เก็บอาหารหรือว่าเพื่อจะลงมาพัก mm. หรือว่าจะมาภาวน า, า, วนากับหมู่คณะ mm. ก็มาอยู่ได้นะเพราะว่าท่านก็ว่าขึ้นลงหลายปีแล้วนะ mm. เลยลอามาอยู่มันก็อยู่ได้พออยู่ได้อยู่นะแต่เราจะต้อง ภาวนาให้หนักกว่าอยู่ข้างบนนะเพราะว่าอยู่ข้างบนมันปล่อยตามธรรมชาติมันทําได้นะมันไม่มีอะไรปรุงแต่งฝุ่งซ่านมากนะมาอยู่ข้างล่างมันมีแต่สิ่งปรุงแต่งนะผู้ค น, นต่างๆมันก็ปรุงแต่งนะจิตมันก็เลยจะปรุงแต่งไปด้วยเหมือนกัน น, ะนี่แหละมันก็เลยก็ต้องภาวนาให้หนักกว่าข้างบนนะจะต้องไม่โกคีตามหลักๆหลักๆที่ท่านแนะนําไว้ตามคําสอนนะตามบทสวดก่ ก็น่าจะตรงนะไม่คุกคีให้อยู่รูปเดียวไม่คุกคีกันนะแล้วถ้าถ้าเราที่จะเน้นเอาภาวนานะเน้นออกจากกองทุกนะเน้นทำจิตใจให้สงบนะแค่มาพูดคุยกันนี่มันก็จิตมันก็ฟุ้งแล้วนะจินมันก็ฟุ้งแล้วจิตมันก็ไปแล้วกาลังต่างๆกําลัางความสงบมันก็หมดแล้นแหว่จะเข้าที่จะเข้าทางก็โอ้บางทีก็หลายวันนะบางทีก็ไว้หน่อยนะถ้าเรา เคยอบรมมาดีมันก็สงบไวนะพอสงบแล้วมันมันมันก็ไม่ติดสงบหรอกนะพอสงบแล้วพอเราออกมาปกตินี่มันก็ดําเนินชีวิตปกตินี่แหละแต่ในขณะที่เรา AUDIENCE, ดําเนินชีวิตอยู่ปกติเนี่ยอนะถ้าจิตมันออกมาจากความสงบถ้าจิตมาสงบจริงนะแต่สัมมามันจะมาค่อยสงบหรอกนะก็ออกมาดําเนินชีวิตปกติแล้วก็ค่อยๆสังเกตเฝ้าดูกายดูใจไปเรื่อยเรยเดี๋ยวมันจะค่อยเข้าใจเ <loose> ข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะถึงแม้ว ถ้าสงบน้อยมันก็เข้าใจเข้าใจน้อยนะคือความชัดมันก็ย้อนจะน้อยถ้าสงบมากจนไม่ไม่มีอะไรปรุงแต่งนะถ้าเราถอนออกมาถ้าเรามาดูกายดูใจมันก็จะชัดชัดเต็มพิกัดของมันนะชัดเต็มพิกัดของมันก็เห็นนี่หลักหลักนะหลักห ล, ลักก็อย่างนี้แหละที่ภาวนามาที่ปฏิบัติมานะในรูปแบบก็สําหรับอาตมาก็ทุกรูปแบบนะไม่มีรูปแบบส่มากจะเน้นเน้นเอารูปแบบ ที่ที่ไม่พยายามจะไม่จงใจแต่จะเน้นใช้ใช้ชีวิตประจําวันนี่แหละคือการภาวนาเคลื่อนไหวยังไงก็ขอให้รู้นะพวบคู่ไปกับการการดําเนินชีวิตของเราแต่มันจะยากแล้วก็จะยากด้วยแล้วก็ภาวนายากด้วยนะภาวนายากมันจะยากแต่ถ้าใครทําได้อย่างนี้นะพยายามทำนะว่าเราจะไม่ได้ จะไม่ต้องไปเสียโอกาสเสียเวลาที่จะมาหลบปลี่ปีกตัวอยู่คนเดียวนะทำได้ก็ทำทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะอา น, นิสงส์มันก็ตามกำลังนะที่เราภาวนาพวกเราก็ภาวนามาก็น่าจะเยอะนะน่าจะรู้น่าจะรู้ว่าจิตใจตัวเองเป็นอย่างไรนะมันเคยมีความสุขมันเคยมีความสงบบ้างไหมหรือมีแต่ความเล่าร้อนมีทิกิเลสนะน่าจะพอมองเห็นเบื้องต้นก็คือ เห็นว่ามันสงบบ้างหรือเปล่าแค่นั้นแหละสงบไหมรู้ตัวเพราะว่าองค์แห่งที่จะทําให้จิตมันสงบนี่มันจะถ้าจะพูดไปก็คือว่ามันก็ต้องประกอบไปด้วยองค์ธรรมทั้งหมดแหละนะไม่ว่าจะเป็นตัวสติมันก็อยู่นั่นตัวสมาญะมันก็ต้องอยู่ที่นั่นด้วยตัวสมาธิก็ต้องอยู่ที่นั่นด้วยะ ตัววิทยาความเพียรก็อยู่ที่นั่นนะตัวศรัทธาก็ต้องมีอยู่ที่นั่นมันก็ต้องมีครบหมดนะองค์ธรรมทั้งหลายขอให้จิตมาสงบนะเป็นมหากุศุนะจิตนะตัวจิตที่มันประกอบไปด้วยกุศลกุสุนและเจตสิกทั้งหลายนะก็คือทําให้มากนะอบรมให้มาก เ, เดี๋ยวมันจะค่อยเป็นไปเองโดยธรรมชาติเพราะว่า ควารู้ความเข้าใจเดี๋ยวมันจะทําลายความไม่เข้าใจเองโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปทําลายโดยที่ขอให้เราสะสมให้มากนะสะสมให้มากสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันทำลาย้ามันเองโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรละวางไม่ต้องไปทําอะไรเดี๋ยวมันละมันเดี๋ยวมันวางมันเองถ้ามันรู้แจ้งเห็นจริงเดี๋ยวมันละมันวางเองมันเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเดี๋ยวมันวางเองโดยธรรมชาติขอว่าเราทําให้มากภาวนาให้มากนะใคร ถ้าใครมุ่งหวังที่จะออกจากกองทบกนะกองทบสังสารวัตรสังสารวัตรที่เราเวียนวนมาไม่รู้จกักต้นไม่รู้จักตายนะมันป่ามันก็ป่ามันก็ต้องมีนะมีแต่มันก็ที่เจอมันก็เยอะนะเก็เดินไปมันก็เจออยู่เลยนะยิ่งตะขาบก็เยอะงูนี่งูนี่โอ้เยอะมากแล้วก็หลายชนิดด้วยนะมีแต่งูพิษนะงูจงอางก็เจอหลายครั้ง จงอางงูเขียวหางไหมพวกเนี้ยงูสัตว์มีพิษทั้งนั้นนะตาขาบแล้วก็งูงูที่เราไม่รู้จักก็เยอะนะมันมาตามถ้ำนะเยอะ ค, อคือคือว่าถ้าพาดก็คือว่าเ อ, ออาจจะไม่รอดเลยนะไม่รอดเลยเพราะว่าไม่มีใครไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นกับเราด้วยนะอันที่จริงมันก็กลัวนะแต่มันแต่มันอยู่ได้โทษด้วยแต่พูเราไม่กลัวเลยมันก็ไม่เชิงนะมันก็กลัวอยู่แต่มันก็อยู่ได้นะ ก็อยู่ใครอยู่มันแล้วก็แล้วก็อาศัยธรรมนี่เลยนะภาวนาให้เยอะนะภาวนาเยอะเอาเอาเอาธรรมะนี่แหละรักษานะธรรมะไม่รักษาเราภาวนาไม่เยอะก็ให้มันตายอยีกที่นั่นแหละใจคิดอย่างนั้นแหละมันตายไปเลยน <S <S <ไ>่ว่าช่วงหลังมานี่ก็ไปเจองูจงอางอยู่ประมาณสักหนึ่งวานึางเลยแหละขวางทางอยู่นะงูจงอางจงอางก็ตัวไม่ใหญ่หรอกนะอยู่ข้างบนถ้าที่เคยอยู่นี่แหละมันเกือบจะถึงถ้าแล้ว เดินไปกับจะดึงถ้าแล้วมันอยู่พอดีไม้ไผ่ไม้ไผ่ไไที่มันแห้งนะ่ะมันหักล้มพาด ท, ทางทีนี้มันก็มันก็พันอยู่กับไม้ไผ่นั้นพอดีนะไปสร้างมันก็ยกคอชูคอยกใส่แลวนะวไปธรรมชาติของมันเละนะล้วก็นิ่งอยู่เฉยเลยนิ่งอยู่เฉยดูใจเรานะ <c oughs> จะทํายังไงฮะ แล้วก็ดูมันไม่กระพริบนะดูแล้วก็ต้องจ้องดูมันแหละนะดูมันเลยมันก็กลัวนะแต่มันก็มีสติป้องสติไว้เราจะแก้ไขเหตุการณ์อย่างไรตั้งอยู่แล้วก็คือโดยธรรมชาติของสัตว์นี่ถ้าเราไม่ทําอะไรมันมันก็ไม่ทํานะธรรมชาติของสัตว์ในใจไม่ไม่วิ่งเรกถ้ามันจะทํานะเราจะวิ่งไงไม่ทันมาหล้วนะสัตว์ป่ามันไวมากถ้ามันจะทําร้ายนี่ไม่มีทางทัน ก็วัดกันแหละนะแล้วก็อยู่นิ่งๆยิ่เฉยแล้วก็ดูมันดูมันจะมีเหตุการณ์อะไรนะมันก็ยกนิ่งของมันอยู่มันก็ดูมันก็ดูเราเหมือนกันว่ามันเราจะทําอะไรมันมันก็ดูนะอืถ้าเราไม่ทําอะไรมันมันก็คงไม่ทําอะไรเราพอพเรานิ่งอยู่สักพักหนึ่งมันก็ยกคอยกคอดูเราอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรได้ ค่อยๆถอยนะค่อยๆถอยค่อยๆ ถ, ถ, ถอยถอยช้านะถอยจะช้าห่างออกห่างออกเดี๋ยวมันค่อยๆไปเองมันเองโดยธรรมชาติ <c oughs> ถ้าเราวิ่งนี่มันอาจจะคิดว่าเราจะทําอะไรมันนะมันอาจจะทําร้ายเราได้นะให้ตั้งสติให้ดี <c oughs> ตอนแรกก็เห็นก็กลัวก็มีนิดๆนะแต่มันตั้งสติได้ก็คือว่า จริงๆแล้วความกลัวมันมีเกิดขึ้นแต่ไม่รู้มันกลัวงูหรือกลัวตายมันก็อยู่ด้วยกันนะก็ชั้นชั้นอาหารที่โยมเขาถวายขึ้นไปเนี่ยแหละเพราะว่าโยมเขาถ้าลงมาเขาก็ถวายขึ้นไปบางทีก็สิบห้าวันลงมาทีได้อาหารเล็กๆน้อยๆพอประทังชีวิต ก็ขึ้นไปอยู่ไปภาวนาต่อก็เมื่อก่อนก็เมื่อก่อนก็มีนะเมื่อก่อนก็อยู่อย่างงั้นแหละเพราะว่าไม่ได้ลงมาข้างล่างนะไปขึ้นไปใหม่สามสี่ปีแรกก็อยู่อย่างงั้นแหละก็หาหาผลไม้หาอะไรฉันอยู่ข้างบนเยอะผักปา่าผลไม้ที่เขาไปปลูกไว้ข้างบนเยอะบอก ผลไม้ป่าพวกขนุนพวกมะม่วงส้มโอมะไฟอะไรเยอะผลไม้เยอะมันเป็นป่าอยู่ข้างบนนะเขาไปเพราะว่าโยมเขาไปทำวัลเลตินี้ป่าไม้เขาไล่ลงมันเป็นสวนผลไม้อยู่บางบางบางทีก็ฉันข้าวด้วยบางทีก็ฉันแต่เฉพาะผลไม้นะก็แล้วแต่สลับกันไปบางทีข้ามันมีน้อยเราอยากจะให้อยู่ได้หลายๆวันแล้วก็ฉันนิดน้อย บางทีก็ไม่ฉันแล้วก็ฉันอยี่อื่นแทนอะไรเงี้ยแล้วก็คือพยายามทำยังไงก็ได้ที่จะให้อยู่ให้นานที่สุดนะอยู่ให้นานที่สุดแล้วก็ให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้นะก็เป็นอันว่าเราได้ฟังนะการแบ่งปันประสบการณ์เหมือนเรามาแวะเยี่ยมอะ กระยามิตรสหายธรรมอุบ า, าจานทร์ท่านก็ไม่มีอะไรให้เรานอกจากเราประสบการณ์เนะท่าทันที่มีแต่เสดายไม่มีใครถามเรื่องสภาวะธรรมเลยถามแต่เรื่องสังไม่รู้จะาถามไปทำไมไหนมาแล้วจะเจยเสด็จั้งเจ็ดวันไม่ถามเรื่องสภาวธรรมสักหน่อยก็เสดายอยู่นะอ๋อไม่ได้ตัวนี้ถามไม่ได้เราหมดเวลาแล้ว ให้โอกาสถามไม่ถามแล้วมาถามันหมดเวลาไม่ได้เพราะนั้นก็โอกาสเรื่องถามเรื่องใครนอกนี่ถามกันที่ไหนก็ได้แต่ถามเรื่องภายในเนี่ยมันหาโอกาสยากความหมายหลวงพ่อนะเพราะฉะนั้นก็ผู้ปฏิบัติธรรมหรือกยายานมิตรมพบ ก, กันแกถามกันอู่สองเรื่องนะเรื่อง <c oughs> ของสุนทธรรม เรื่องของอาชาเทวะอริยวงนะ์เรื่องของอริยวงศ์คือวงของพระริจ้าถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรถามกันในเรื่องของในอริยวงศ์ก็จะนิ่งนั่นะนิ่งศึกษาภายในในยวงก็เช่นเรื่องของ อ, อิสีสังวรนะการสํารวมอิสีการละวิ อ, อ, อิสีแล้วก็เรื่องของปฏิโมกสังวร ถามเรื่องศีลเรื่องพลดเรื่องข้อวัดปฏิบัติแล้วเรื่องของอปัจจัยนะแล้วก็เรื่องของชาคาริยานุโยกเรื่องของความเพียร <c oughs> เรื่องของภูมิธรรมถามกันคือท่านไป็นวเพญตรงนี้เป็นตอนนี้เป็นยังไงแล้วจัด กิเลสไปยังไงอสวะเหลือตัวไหนบ้างตัวนี้อสวะตัวนี้กําลังเป็นอยู่มีวิธีแก้ไขอย่างไรอะไรมันจะถามก็เรื่องเหล่านี้เขาเรียกว่าอริยวงวงของพระอริยเจ้าจะถามเกิดแต่เรื่องเหล่านี้จะไม่ได้ถามเรื่อง ง, งูเหียมเขี้ยวขอนอะไรต่างมันไม่ได้อยู่กับใจเราะมันนานๆเจอทีในกิเลสมันเจอทุกวนินาทีเรงไปสนใจเรื่องที่มันเจอบ่อยๆเนี่นะก็บูรณาสาัตว์ในคํา เมตตาของพระอาจารย์วิมลนะที่ได้แบ่งปันในสิ่งที่ดีๆให้กับเราได้ทำให้เราได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังดัะนั้นลำดับต่อจากนี้ไปเราก็